ในอดีตการสมัยพระเจ้ากรมทัตครองกรุงพระนศีมีหญิงชรายาจกคนหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพด้วยกันแบ่งบ้านที่นางอาศัยอยู่นี่ให้เป็นที่พักแก่คนเดินทางทั่วไปวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาพักที่บ้านของนางก่อนจะจากไปเขาก็มอบลูกโคตัวหนึ่งให้แทนค่าที่พัก หญิงชราก็เห็นลูกโคมีท่าทางเฉลียวฉลาดแข็งแรงผิวงามเหมือนสีดอกอัญชันดวงตาเป็นประกายก็บังเกิดความเอ็นดูก็รับลูกโคไว้ด้วยความยินดีแล้วก็เรียกมันด้วยความรักว่าไอยิ ก, กาละกะหรือว่าเจ้าโคดำของยายทุกๆวันนางก็จะนำข้าวอย่างดีพร้อมด้วยหญ้าอ่อนๆมาเลี้ยงเจ้าโคดำจนกระทั่งมันเติบโตใหญ่ มีร่างกายสง่าหน้าเกรงขามแข็งแรงกว่าโคทั่วไปในละแวกเดียวกันแล้วยิ่งกว่านั้นเจ้าโคดำตัวนี้ยังเป็นโคที่สงบสงเงียมเรียบร้อยไม่ดุร้ายเด็กชาวบ้านมันเหนียวมาโหนเขามาฉุดหางดึงหูมันก็ไม่โกรธซ้ำยังเข้าใจภาษาคนอีกด้วยเจ้าโคดำนี่มีความคิดตีอตอบแทนคุณใหญ่เท่าอยู่เสมอเพราะว่าคิดว่า นางสู้ทนลําบากเลี้ยงตัวมาอย่างดีทั้งท่านที่นางก็ยากจนมากดังนั้นเมื่อโคดําเห็นใครเขามีงานที่จะต้องแบกต้องหามมันจะเข้าไปทํากิริยาให้เขารู้จนเขาจ้างให้ทํางานได้เงินทองข้าวของมาเท่าไร่มันก็นํากลับมาให้ยายเท่าหมดสิน้นความที่รู้ภาษาคนแล้วก็มีพละกาลังแข็งแรงกว่าโคทั่วไปก็เป็นที่รู้กันทั้งหมู่บ้านว่าถ้าใครมีงานที่หนักมากโคของตัวแบกหามไม่ไหว หรือว่ามีเกวียนตกลมชุดไม่ขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าจ้างคูดาไปไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่มาวันหนึ่งก็มีพ่อค้านุ่มนำเกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าข้ามแม่น้ำมาแต่เนื่องจากไม่ชำนาญทางก็นำเกวียนทั้งหมดตกลมขึ้นฝั่งไม่ได้แม้จะช่วยกันฉุดช่วยกันลากจนสุดความสามารถแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้ดูมันว่ายิ่งฉุดลากเท่าไหร่ ร้อเกวียนก็ยิ่งจมลึกลงมาในเลนมากขึ้นเท่านั้นพ่อค้าหน่มมันก็กังวลมากเกรงว่าสินค้าจะเปียกน้ําเสียหายในขณะที่กําลังคิดหาหนทางอยู่นั้นพ่อค้าหนุ่มก็มองไปเห็นโคดํากําลังเล็มหญ้าอยู่กับฝูงโคทั้งหลายด้วยความที่เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องลักษณะของโคอยู่บ้างพอเห็นโคดําก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโคอาชาในก็ตรงเข้าไปถามหาเจ้าของกับเด็กเลี้ยงโค เพื่อจะว่าจ้างให้ลากเกวียนเด็กเลี้ยงโคก็บอกว่าพี่ชายเจ้าของเขาม่อยู่ที่นี่แล้วครับถ้าพี่ชายจะจ้างเนี่ยพี่ชายตกลงราคากับตัวว่าโคดาได้เลยพ่อค้าหนุ่มก็สนตะภายให้โคดำแล้วก็จูงไปแต่ว่าโคดาไม่ยอมเดินพ่อค้าหนุ่มก็บอกว่านี่พ่อโคดาจ๋าถ้าพ่อลากเกวียนของฉันที่ติดหลมทั้งห้าร้อยเล่มขึ้นมาได้แล้วก็นะฉันจะให้พันหนึ่งเลย ตกลงมาล่ะโคดําได้ยินอย่างนั้นก็เดินไปแต่โดยดีเมื่อเห็นขบวนเกวียนตกวงไปในหล่มลึกอย่างนั้นก็รู้ว่าเป็นงานหนักแต่ว่าถึงจะหนักยังไงก็ต้องทำให้สําเร็จให้ได้ใหญ่เท่าจะได้พ้นจากความยากจนเสียทีเพราะคราวนี้จะได้เงินเยอะเมื่อเทียมเกวียนเสร็จแล้วโควดําก็ค่อยๆรวบรวมพลังกาลังทั้งหมดฉุดลากเกวียนที่ตกลมนั้นท่ามกลางการเอาใจช่วยของพ่อค้าและบริวารทั้งหลาย รวมทั้งเด็กเลี้ยงโคที่มามุงดูกันอยู่ในที่สุดขบวนเกวียนก็ค่อยๆเคลื่อนที่พ้นจากหล่มขึ้นมาได้ทุกคนก็ปรบมือโห่ร้องกันในความดีใจพ่อค้าหนุ่มเห็นขบวนเกวียนพ้นจากหล่มขึ้นมาได้ก็เอาเงินห้าร้อยนี่ห่อผ้าแล้วก็ผูกไว้ที่คอของโคดําโคดําเนี่ยแม้ว่าจะไม่เคยได้รับเงินมากถึงหนึ่งพัน แต่ก็พอจะคาดคะเนได้ว่าไอ้เงินหนึ่งพันเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้ก็ยืนขวางกระบวนเกเวียนไว้เสร็จแล้วก็จ้องมองมายังพ่อค้าหนุ่มอย่างจะเอาเรื่องตกลงกันไว้พันดันจะให้ห้าร้อยพ่อค้าหนุ่มเห็นอย่างนั้นก็ใจคอไม่ดีก็คิดว่าเอชรอยขูดดำตัวนี้สงสัยจะรู้ว่าเราห่อเงินให้เพียงครึ่งเดียวถ้าเราไม่ยอมจ่ายให้ครบจะเห็นทีมจะโดนเล่นงานแน่ คิดอย่างนี้ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบถุงเงินมาแล้วก็ใส่เงินเพิ่มลงไปอีกห้ารอยจนครบพันตามที่ตกลงไว้แล้วก็ผูกคืนให้ตามเดิมเมื่อโคดำได้เงินครบแล้วก็วิ่งกลับไปบ้านยายบรรดาเด็กเลี้ยงโคก็วิ่งตามไปเป็นพรวนยายเห็นโคดำกลับมาด้วยท่าทางอิดโรยสูบซีดเหงื่อไหลโสมตัวตาที่แดงกำ่ำพร้อมกับถุงเงินที่ห้อยคอมาโดยมีเด็กๆมาแย่งกันเล่าเรื่องให้ฟัง ยายก็กอดคอโคดำร้องไห้ด้วยความสงสารแล้วก็รำพันบอกว่าโกโคดำของยายเอ้ยถ้าเจ้าจะต้องลำบากเพื่อยายถึงเพียงนี้ให้ยายตายเสียดีกว่าว่าแล้วเขก็ร้องไห้รำพันพอคลายเศร้าโศกแล้วยายเท่าก็รีบนำเอาผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดตัวโคดำเอาน้ำมันมาทาแก้ขัดแก้ย่อให้แล้วหาน้าหาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงโคดำ การเวลาผ่านไปยายเท่าก็มีฐานะดีขึ้นไม่ต้องลำบากยากแค้นนังแต่ก่อนและด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันมาตลอดเมื่อยายเท่าและโคดำละโลกนี้ไปแล้วก็ยังได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในภพชาติต่อๆมาจนกระทั่งมาถึงในชาตินั้นโคดำก็มาเกิดเป็นพระพุทธองค์ ส่วนยายเฒ่านั้นก็มาเกิดเป็นพระอุบลวันนาเทรีพระอรหันต์หญิงยะโตยะโตกรุธรังยะโตคัมีรัตตนิในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึกคนทั้งหลายก็เทียมโคกันหะในที่นั้นๆโคกันหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวหาดิธันสนุกสนุกอะไรมาเล่าสู่นฟังสักเรื่องนะครับคือความบังเอิญนะ ว, ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างประจบเหมาะเนี่ยมันไม่ใช่จะมีขึ้นง่ายๆบางทีก็ต้องอาศัยโชคเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องหลวงตาที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้านเขมีอาชีพทำนา การทำนานี่ก็ต้องอาศัยแรงงานจา ก, กัวจากควายในการไถานาคลาดนาทั้งยังต้องอาศัยฝนเป็นปัจจัยหลักในการปักดำอีกด้วยปีไหนที่ฝนแรงก็ทำนาไม่ได้ผลปีไหนฝนดีชาวบ้านก็น่าชื่นตาบานเบิกบานกันทั่วหนะ้าและยิ่งปีไหนฝนแรงโจรขโมยก็ชุมยิยย่ก็ยุงซะอีกอยู่กลางดึกวันหนึ่งมีขโมยเข้ามาขโมยควายลุงนง ลุงหนองในแกเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยลุงหนองกับชาวบ้านก็เลยพากันออกติดตามรอยเท้าควายไปแล้วก็ตามไปเรื่อยๆจนเกือบจะถึงวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรลุงหนองกับพวกชาวบ้านก็พานเข้าไปหาหลวงตาจิง๋งให้หลวงตาจิ๋งช่วยทํานายให้โอ้โยมผู้ใหญ่ไปยังไงมาไงอ่ะเนี่ยถึงได้มาถึงที่นี่ได้อ่ะฮะเออคืออย่างนี้ครับหลวงตา ขโมยมันขโมยควายผมไปผมก็ออกตามรอยควายมาแต่พอมาถึงท้ายวัดหลวงตาเนี่ยรอยเท้าก็หายไปไม่รู้จะตามไปทางไหนผมก็เลยแวะเข้ามาอยากจะให้หลวงตาทานายให้หน่อยว่าโจรมันไปทางไหนครับโ อ, โอ้ไม่มีปัญหาอะไรละเดี๋ยวจะดูให้แต่ถ้าหากว่าทํานายให้แล้วเนี่ยโยมกูใหญ่จะให้อะไรฉันล่ะแหมหลวงตาเนี่ยมันก็จะงกเลยนะครับ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่าหลวงตาทํานายถูกแล้วผมได้ควายคืนนะเดี๋ยวผมจะทําบุญเลี้ยงเพนหลวงตาพร้อมทั้งพระทั้งเนีนเลี้ยงหมดวัดเลยละวันพรุ่งนี้นะครับเอออย่างงั้นก็ดีเอาเอาเดี๋ยวเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นแดดร่มล ม, มตกหน่อยแล้วค่อยมาใหม่ก็แล้วกันนะตอนนี้ก็ใกล้จะเพนแล้วคงดูให้ไม่ทันหรอกเดี๋ยวหลังฉันเพนแล้วจะดูให้นะสี่โมงเย็นมาฟังผลนะ หลวงตาเจ๋งเขก็ว่าสรงเด็ชไปอย่างนั้นตัวเองไม่ได้มีวิชาคมไม่รู้เลิกผานาทีอะไรเลยพอลุงนง n กับชาวบ้านกลับไปกันแล้วหลวงตาเจ๋งแขก็ฉันเพนที่มีญาติโยมเอามาถวายเสร็จแล้วก็พักผ่อนสักบ่ายสองโมงกว่ า, วาตื่นขึ้นมาพอตื่นเข้ามาก็นึกถึงที่ให้สัญญากับลุงนงเอาไว้อ่าเอาเลยสิโอตายไอ้เจ๋งโอ้ย ไปรับปากยังไงวะเนี่ยตายแน่นะไหนเจ๋งด้วยสี่โมงเย็นนี่เขาก็จะมาแล้วน่ะตายแน่ตายแน่แนเป็นความบังเอิญยังไงไม่รู้ไอ้โจรที่ขโมยควายลุงหนองมามันก็ชื่อเจ๋งเหมือนกันปรากฏว่าเจ้าเจ๋งนี่นําควายไปล่าเมไว้ที่ป่าชาหลังวัดนั่นแหละเพื่อจะหลบการติดตามเสร็จแล้วก็แอบเข้ามาที่วัดเพื่อจะมาขอข้าวกินไอ้ตอนที่ลอดใต้ถุนนะ่าได้ยินหลวงตาเจ๋งนั่งบนกับตัวเองอยู่พอดี โอ้ยตายตายตายตา ย, ตายแน่ไอ้เจ๋งเดี๋ยวสี่โมงเยนเดิเขาจะมากันแล้วตายแน่ตายแน่แนมึงไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งได้ยินอย่างนั้นก็หูตาเหลือกจะตกใจกลัวรีบขึ้นไปบนกุฏิไปบอกกับหลวงตาหลวงตาครับผมผิดไปแล้วครับหลวงตาครับช่วยผมด้วยครับหลวงตาเจ๋งแกเป็นคนฉลาดมีไหวพริบแกก็รู้ทันทีไอ้หมอนี่คงจะเป็นโจรขโมยไกว์เข้ามาอ่า แกก็รีบสำทับไนงะไอเจ๋งมันกลัวแกไม่ต้องกลัวรีบกินข้าวแล้วบอกที่ซ่อนควายเขาเอาไว้แล้วเองก็รีบหนีไปข้าจะไม่บอกเจ้าของเขาหรอกอย่าช้านะเองเดี๋ยว เ, เจ้าของเขามานี่เองตายแน่ๆผมผมบอกไปผูกไว้ที่ป่าช้ า, ชาหลังวัดเนี่แหละครับไอโจรเจ๋งบอกแล้วก็รีบกินข้าวกินเสร็จก็ไว้ตนะั้งแต่เจ๋งอ่า เสร็จแล้วก็รีบหนีก็อกขอบคุณนะฮะหลวงตาแต่ผมขอร้องหลวงตาอย่าไปบอกเจ้าของควายเขานะครับผมไปแหละครับหลวงตาพอบ่ายสี่โมงเย็นตรงแปง้งหลวงนงกัชบชาบ้านก็พากันมาถึงวัดตรงไปหาหลวงตาเจ๋งเห็นหลวงตาเจ๋งนั่งยิ้มอยู่อ่าหลวงตายิ้มแต่จะคงจะรู้แล้วสิว่าควายผมอยู่ที่ไหนครับรู้แล้วไอ้เรื่องแค่นี้ป่ะดูมันจะผลความสามารถเจ๋งไปได้ยังไง วายโยมผู้ใหญ่โจนมันล่ามมันในป่าช้าหลังวัดนี่แหละไปดูเหอะเพราผู้ใหญ่โนงเชาบ้านเข้าไปดูก็เห็นกวายตามที่หลวงตาเจงบอกจริงๆข่าวหลวงตาเจงดูหมอแม่นนี่กระจายหึงไปทั่วตาบลเลยช่วงเข้าบรรษาอยู่มาวันหนึ่งป้าส้อยกับลูกสาวไปทำบุญเลี้ยงเพลหลวงตาเจงที่วัดเขาต้มปลาช่อนตัวใหญ่ไปถวายหลวงตา ตอนที่หลวงตาเจ๋งกําลังฉันอาหารอยู่นั้นป้าซร้อยก็นั่งสนทนาธรรมอยู่ไม่ห่างนักส่วนลูกสาวป้าซ้อยก็ออกมานั่งเล่นที่หน้ากุฏิที่หน้ากุฏิมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งก็ไปนั่งให้อยู่ตรงนั้นตอนที่หลวงตาเจ๋งกําลังฉันต้มปลาอย่างอร่อยอร่อยพระเอิญมีก้างชิ้นหนึ่งไปติดอยู่ที่คอแกทีนี้หลวงตาก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะขาดออกก็อายก็นั่งโกงคอไปโกงคอมา ไหวลูกสาวป้าซ้อยที่นั่งเล่นอยู่หน้ากุฏิเหลือบมาเห็นเห็นหลวงตาเจ๋งทำหัวกระดกไปกระดกมาก็นึกว่าหลวงตาเจ๋งพังหกหัวเรียกให้เข้าไปหามันก็รีบลุกเดินเข้าไปหาจังหวะนั้นเองต้นไม้ที่หน้ากุฏิหลวงตาเจ๋งมันโค่นลงมาตรงที่ผู้หญิงนั้นนั่งอยู่ตะกี้เนี่เธอก็เลยรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ป้าซ้อยในอุทธานร้องออกมาสุดเสียงแล้วต๋อวาตายแล้วลูกฉันก็นึกว่าต้นไม้ทับลูกสาวแก พอหันไปเห็นลูกสาวเดินหน้าตื่นก็ามาก็ใจชื้นเป็นกองแหมขอบพระคุณหลวงตาเจ้าขาที่ช่วยชีวิตลูกสาวฉันไว้อืมนี่ถ้าจะมาไม่เรียกโยมเข้ามาก็มีหวังถูกต้นไม้ทับอย่างแน่นอนเอาเถอะหลงตาเจ๋งได้ทีคุยโมเลยข่าวหลวงตาเจ๋งดูแม่นแล้วก็รู้อนาคตก็แพร่กระจายออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองหลวงตาเจ๋งก็เลยมีลาบสการะอย่างไม่ขาด ต่อมาอีกหลายวันตอนนั้นข้าวกําลังตั้งทองฝนก็ทิ้งช่วงปล่อยให้น้ําแห้งข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาชาวบ้านต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเช้าวันหนึ่งก็เลยพากันไปหาหลวงตาเจิงให้หลวงตาเจิงช่วยดูเรื่ยามให้ว่าเมื่อไร่ฝนจะตกสักทีโยมมีอะไรกันหรือที่มากันมากมายอย่างนี้จะมาทอดพระป่าเหรอเปล่าครับคืออย่างงี้หลวงตาฝนมันทิ้งช่วงไปก็ทําให้ต้นข้าวมันเริ่มแห้งเหี่ยว พวกผมก็เลยพากันมาหาหลวงตานะครับอยากจะให้หลวงตาช่วยทำนายให้หน่อยว่าฝนจะตกเมื่อไรครับโอ้โหเรื่องแค่นี้เองจิบจ่อยเดี๋ยวอาตมาจะดูให้พรุ่งนี้เช้าโยมคอยมาฟังข่าวกันก่อแลกกันชาวบ้านได้ยินหลวงตาเจ๋งพูดอย่างนั้นก็พากันแยกย้าย ก, กันกลับบ้านแต่ก่อนจะแยกย้ายกันไปผู้ใหญ่โนงก็ประกาศขึ้นบอกว่าออพี่น้องทั้งหลายพรุ่งนี้เวลาประมาณหนึ่งโมงเช้านะ พวกเรามาทำบุญร่วมกันที่วัดแล้วจะได้ฟังคำทํานายของหลวงตาเจ๋งของพวกเราพร้อมๆกันวันนั้นหลังจากหลวงตาฉันเพนเสร็จแล้วแกก็กรู้มใจไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เชาจะบอกญาติโยมยังไงดีแ ก, กก็เลยเดินออกจากวัดไปเรื่อยๆแดดก็ร้อนแกก็เลยเอาก้านตาลแห้งก้านหนึ่งซึ่งมันไม่ใหญ่มากนะะักเอามากันแดดแทนร่มเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก พอหายเหนื่อยก็เดินลาบไอ้ก้านตาลแห้งแกละกแกลติดมือไปเสียงลาบก้านตาลนี่ดังได้ยินไปถึงกบตัวใหญ่ที่อยู่ในรูก็ลูกลูกกบมันก็นึกว่าเสียงฟ้าร้องมันก็ถามแม่แม่แม่ฟ้าร้องแล้วอะ่ะเมื่อไหร่ฝนจะตกอะแม่เ อ, อ๋อพรุ่งนี้ประมาณตอนบ่ายสองบ่ายสามฝนก็จะตกแล้วลูกคราวนี้ตกหนักได้ละ เผอิญหลวงตาเจ๋งเนี่ยก็รู้ภ า, าษาสัตว์ก็รู้ได้ไงมาลูกอ่าพระแกได้ยินเสียงกรบพูดอย่างนั้นแกก็ดีใจก็โยนก้านตานทิ้งเดินตัวปลิวกลับวัดทันทีเสร็จแล้วก็รำพึงในใจรอดตายอีกแล้วกูพอถึงวันรุ่งขึ้นเป็นวันนัดหมายชาวบ้านเขาก็มาวัดกันตามนัดบางคนก็มีข้าวมีน้ําบางคนมีแกงบางคนมีขนมนมเลยติดมือมาทําบุญกัน พะหลวงตาเจ๋งฉันเช้าเสร็จก็ประกาศในที่ทําบุญนั้นทันทีเลยญาติโยมทั้งหลายวันนี้ให้โยมเตรียมภาชนะที่จะใส่น้ำไว้ให้พร้อมนะคันนาใครขาดก็รีบปิดจ้ะวันนี้แหละเวลาบ่ายสองโมงสามโมงเนี่ยฝนจะตกหนักโอ้สาธุสาธุหลวงตาชาวบ้านกวังก็ยกมือสาธุการกันใหญ่แยกย้ายกลับบ้านไปเตรียมภาชนะใส่น้า ไปปิดคันนาที่ขาดแต่วันนั้นฟ้าเปิดท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆหมอกและไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกลงมาเลยหลวงตาเจ๋งก็นั่งลุ้นตัวร้อนอยู่เหมือนกันว่าฝนจะตกหรือว่าไม่ตกแกก็เข้าไปทําวัดไหว้พระสวดมนต์อยู่ในโบสถ์นั่นแหละพอถึงเวลาบ่ายสองโมงตามที่หลวงตาเจ๋งทํำนายลมก็พัดเอาเมฆมาจากไหนไม่รู้เสร็จแล้วก็กระหน่าลงมาอย่างหนักจนาน้ําเจิง่งนองไปทั่ว สร้างความปิติให้ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาข่าวหลวงตาเจ๋งทํานายแม่นดูแม่นเดระจขจรกระจายไปทั่วสารทิศวัดหลวงตาเจ๋งจึงมีคนไปมาหาสู่กันไม่ขาดสายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวัดเดาเจริญวัฒนารามของอาจารย์เจ๋งก็เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้จบครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ